วันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราวันนี้จะมีงานอุปสมบทนะของนาคหนึ่งนาคด้วยแล้วก็บริอาจารย์ทองก็ครบรอบวันเกิด23สิบามงหาก็เลยบอกว่าวันที่25เข้ายมาที่วัดนี่แหละจะไดนะ้ทำพิธีกันนัสสิทธ ธรรมปฏิขอเข้ามาไปพร้อมกันซึ่งพวกเราเป็นพุทธบริษัทนาองสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ก็เริ่มตัดเนื้เทศสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นย่อมมีความดับไป เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะกันแรกนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสดแสดงธรรมเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตนะของเราเนี่ยคือจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเป็นว่ายตายเกิดมานับว่ากี่พบกี่ชาติก็นับไม่ได้ครับว่านับไม่ท่วนนะความหมายก็ มันมากมายและเกิดเนี่ยมันจะมีพบมีชาติไปเรื่อยๆนะจากชาติที่แล้วก็มีไปเรื่อยๆร้อยชาติล้านชาติไปเรื่อยๆร้อยล้านชาติล้านล้านชาติเราพูดไปว่าล้านล้านลไปอย่างนี้ก็ไม่จบมันจะมีไปเรื่อยๆอย่างนั้นพระเจ้าเล็งด้วยญาณแล้วว่าการเป็นไหวไตเกิดนะของพระองค์นี่ก็มากมาย ยังมีพบชาติอยู่เรื่อยๆถ้าเราเลึกขนหลังไปนำไม่จบเรียกว่าวัตตะสองสารวัตในดวงจิตตรงนี้ชาตินี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยบุญกุศลเราก็มาเกิดในโลกในร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นทรัพย์อย่างมากนะร่างกายนี้มันเป็นทรัพย์ ที่สำคัญละเพราะเรามีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีอยตนะที่จะรับรู้นะในธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางปฏิบัติหรือว่าเห็นธรรมะได้เลยนะถ้าเกิดอย่างตำ่ำเราเกิดใน ภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็หมดโอกาสยิ่งไปสู่นระกเปรตนะสุรกายก็ยิ่งหมดโอกาสไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าใจของเรามันเป็นวิชชาทิฐิความเห็นที่ผิดก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันนะแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสัญชัยปริภาชก มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นขนาดจารย์ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะ่ะก็ภาษาริบุตรนะปติสสะนะภาษาริบุตรหรือพระมหาโมคลานะยังไปเป็นลูกศิษย์ยังไปเป็นลูกศินะยปปกษย์ของท่านเพราะในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมาก แต่เมื่อภาษาไิบุวชกับพระมหาบุครานนี้ไปศึกษาแล้วก็เรียนจบได้ในเวลารวดเร็วแต่ก็เออเรียนจบแล้วยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกได้เมื่อภาษาไิบุวชเนี่ยมาพบกับท่านพระอัสสชิเถระเห็นจริยาวัดของท่านคดงามมีใบหน้าผ่องใสกิริยามารยาสำรวม เที่ยวบินทบาทอยู่เนี่ยในกลุงราชคฤห์เห็นแล้วเริ่มใ ส, ส่ศรัทธามากก็รอจนว่าท่านทำพธธัฒกิจเสร็จเรียบร้อยจึงเข้าไปนะกราบนรสการแล้วก็สรรเสริญว่าท่านดูกิริยามารยาทของท่านเรียบร้อยมากไม่น่าผา่องใสนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่าน ท่านชอบใจซึ่งธรรมะของใครก็เป็นศาสนาของท่านศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรือภาษาในบทนี่ก็มีปัญญามากเพียงสังเกตรกริริยามารยาทนะก็พอจะทราบได้ภาษาริบุทก็มหาโมคคลานาเนี่ยเคยไปสแสวงหาคณาจารย์นะ ทั่วประเทศอินเดียที่จะสอนจิตใจพ้อนจากความทุกข์แต่ก็ไม่พบไปคณาจารย์ใหญ่ๆแล้วบางทีก็สู้ท่านไปได้เลยนั่นไม่พบแหละท่านก็กลับมาสํานักสัญชัยบริภาชกเนี่ยเราเห็นไหมประเทศอินเดียกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะนะเกือจะเป็นทวีปอยู่แล้วเนะี่ยนสมัยนั้นก็เดินทางรถแลมไปเนะี่ยนะด้วยเท้า ด้วยเทียมเกวียนนะโอกาสที่จะไปนค้นหานะผู้ที่มีปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์ได้ก็ยากลำบากจึงกลับมาอยู่กับสัญชัยบริภาชกซะก่อนแต่เมื่อพระศาิบุตรนี้ได้เห็นกริยาบริยาของพันธะสัจจิเตละเกิดความเริ่มใส่และเข้าไปถาม ปัญหาดังกล่านั้นนะท่านพระสัจจีเถระตอนนี้เป็นพระอรหรันต์แล้วเราคงทราบว่าท่านอยู่ในหนึ่งของพระปัญจวัคคีย์มีท่านพระโกธัญญะทันวัปปะมหานามาพัทถยะอัศชิเป็นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อฟังธรรมในสูตรแรกพระโกทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมในพระโสดาบัน ต, ต่อมาทั้งสี่รูปพระปัญญวัคคีก็ได้พระโสดาบันเมื่อฟังธรรมสูตรที่สองอนัตตาระคณะสูตรสูตรว่าได้ความเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ถามรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้พระปัญญวัคคีนั้นตอบนะถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตอบทำนองเดียวกันว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อรวมนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนะเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงด้วยแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมนะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอะไงเงี้ยพระปัญญวกคีทั้งห้าพิจารณาแล้วก็ต้องเป็นอนัตตาคือหาความเป็นตัวตนไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศจบพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญญวกคีนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนา นี่เป็นห้ารูปแรกที่สมเร็จเป็นพระหลังเออทาไมพระพุทธเจ้าเทศนานแ่้วสมเด็จละนะก็เพราะว่าท่านอบรมวาสนาบา ร, รมีมานานแล้วอธถนามว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกในชุดแรกนะสร้างบา ร, รมีมานานแล้วกับพระพุทธเจ้าของเราอันนี้จะกลับมาว่า เมื่อพระสิชิเทลานั้นเห็นพระสารีบุตรมีความเรื่อมใสก็ตะตอบไปด้วยความที่มีความสำรวมระวังนะว่าเรล่านี้เป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ไม่นานใช่ไหมนี่ท่านเป็นนักปราชญ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะท่านเป็นพระละหันด้วยนะ แต่ถ้าบอกท่านเป็นผู้ใหม่ในพรุทธศาสนานี้นเพิ่งบวชได้ไม่นานนี้เองเพราะก็รู้ว่าผู้ที่ท่านกำลังพูดด้วยเนี่ยเป็นนักปราชญ์มองเห็นท่านเท่านั้นก็จะมาถามธรรมะท่านก็ถ่อมตัวนะจะแสดงธรรมโดยละเอยียดพิศดา น, นั่นแ่ะแสดงไม่ได้แสดงได้โดยย่อเท่านั้นแะ ภาษาในบรนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาค้นคว้ามามากนะบอกว่าไม่ต้องแสดงโดยละเอียดเลยนะขอให้ท่านแสดงโดยย่อๆก็พอเหมืเนกัน <c oughs> แสดงโดยย่อๆพระสัจจเทละก็จะแสดงธรรมเหมืกันเนี่ยแสดงธรรมย่อๆนะว่ารทำทั้งหลายเนี่ย มีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจา้าก็ตรัสทั้งเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็ความดับของไปของธรรมเหล่านั้นเ <c oughs> มนเยธรรมมาเหตุาาตุปภาวะเทสังเหตุองตถาคตังตนัในเบื้องต้นท่านนั่นเองพระสารีบุตรเถระดวงตาเห็นธรรมเลยก็ทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็ขเข้าใจแล้วว่านะ ทั้งรูปธรรมนามธรรมนี่มีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดเท่านั้นเนีะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเนี่ยความหมายเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปแต่เรามาดูที่ว่าอ่ดูเรื่องของรูปมีเหตุมีปัจจัยรูปนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยรูปนี้ยที่บอาเป็นของเรามันก็ดับไปเนี่ยอย่างว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารเป็นเหตุละ ทำมาแดดอาหารมันก็จะดับเลยมาเดดน้ําร่างกายนี้มันจะดับไม่มีความร้อนในร่างกายนี้ก็จะดับเราเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่หายใจเอาไม่เกินห้านาทีอะก็ดับร่างกายนี้จะดับไหมดับเร็วกว่าตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหั้่งบนยอด ม, มีความดับไปอันเดียวกันนี่แหละทำทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้น มีเหตุมีผลถ้าเหตุที่เกิดหมดแล้วกระดับไปกระตายอะไรที่มันมีเหตุเนี่ยให้เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปอย่างเงี้ยเพราะเหตุมันไม่ใช่ตัวตนเราว่าใจเราบังคับไม่ได้ใจเราบังคับกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของเราอย่าแก่อย่าเจ็บนะอย่าตายอย่าหิวนะอย่าปวดอย่าเมื่อยนะก็บังคับไม่ได้อย่าเสื่อมนะ มีตาดีแล้วจะเสื่อมมีหูดีแล้วก็จะเสื่อม่ากายแข็งแรงจนอยู่อย่างนี้ mm. ก็ไม่ได้เห็นไหมวันนี้อย่าหิวข้าวนะอย่าอยู่น้ํำอย่ากระหายน้ํานะก็ไม่ได้นี่เียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่เนมะื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นบนเหตุปัจจัยก็ดับไปเออทาไมจะมิยึดเอ า, าเป็นเราหรือของเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้นั่นก็เกิดดับ มีความเกิดมีความดับภาษาได้บทพิจารณาแล้วเข้าใจชัดแจง้งโอ้ตรงนี้เองเกิดดับนะทีแรกยังว่าสงสัยอยู่เป็นเราหรือของเราอ่ะเข้าใจชัดเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราดวงตาเห็นธทมเกิดขึ้นเกิดใจรู้แจ้งขึ้นมาเลย สิ่งที่เคยหลงอยู่น่แหละรู้แจ้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมซึ่งพวกเราในปฏิบัติในศิ่นห้านี่แหละเป็นปกติมาภาวนาก็อยู่เสมอเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวั น, นไม่แน่วันใดวันหนึ่งเราฟังธรรมก็จะเห็นธรรมว่าได้นะหรือจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่แน่หรอกจิตรวมเมื่อไรเกิดขึ้นได้ ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่าเฉพาะสมัยพุทธกาลถึงจะเห็นธรรมะสมัยนี้ก็เห็นได้นะเพราะว่ามีอยู่แล้วรูปธรปรมนามธรรมมีอยู่แล้ว น, ะนีเมื่ อ, รอพระสาทรีบุตรนี่เข้าใจชัดแต่ว่าสัญญาเอาไว้ท่านเป็นคนรักษาสัจจะนะพระ อาตชี้เทระจะแสดงทาต่อท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนนะขอหยุดไว้ก่อนแลหละรู้ทำมาอันนี้แล้วต้องไปบอกเพื่อนที่ระ ก, ก่อนนะเพราะว่าพราะหมหาโมคลานะพระหมหาโมคล า, น, า น, นั่นอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่สร้างบารมีมานานแล้วเนี่ย <c oughs> นะรักกันมากสร้างกันมามากนะต้องไปบอกก่อนนั่นจะไปบอกเพื่อนท่านสั ก, ก่อนกลับไปนะแต่ก็ทุกก็ถามไว้ว่า พระพุทธเจ้าเนะี่ยพระศาสดาเราประทับอยู่ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้ เ, เจอพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพบพระพธรรมเมื่อพบพระพธรรมก็เหมือนพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเห็นธรรมะเห็นพุทธเจ้าแล้วนั่นจึงใน้ถามว่าพระศาสดาของเราเนะี่ยประทับอยู่ที่ไหนอาจเจติเราบอกว่าประทับอยู่นะวัดเวรุวันนะกรุงราชคฤห์ พระสารีบุตรก็กลับมาบอกธรรมะแก่พระมหาโมคคลานะพระมหาโมคคลานะได้ฟังเท่านั้นก็ได้โสดาบันเหมือนกันเห็นไหม น, นี่คือบา ร, รมีธรรมะเต็มพร้อมกันนะั่นแหละตอนตอนก่อนจะบวชนะก็มาเบิชพร้อมกันนะในรูปของเศรษฐีน่ะเห็นการแสดงละคร แล้วเบื่อหน่ายว่าคนแสดงก็ต้อ ง, งตายหมดหาสารแะหาเก่นสารไม่ได้รู้สึกไม่สนุกสนานทั้งคู่นี่มีบริวารไปคนละห้าร้อยไปดูมหาลศบที่สําคัญของกรุงราชะคือแต่ไม่สนุกสนานแล้วไม่มีสาระ ไ, ไม่มีแก่นสารอะไรเหมือนกันนะถามกันไปถามกันมาก็สลดสังเวชใจนะก็ออกมาบําเพ็ญปฏิบัติเป็นเพศ น, นักนักโพสเนี่แหละ นะทิ้งบริวารทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไว้หมดเลยเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองนารันธ า, นน า, า, น า, าคราวนี้นเมื่อสารเดือบพระมหาวชรณะนี่ในดวงตาเห็นธรรมก็ชวนบริษัทบริวารของสัญชัยพระพชกไปด้วยแต่ท่านสัญชัยไม่ยอมไปบอกในโลกนี้เนี่ยคนโง่ ก, กับคนฉลาดอะไรมีมากกว่ากัน คนโง่ก็มีมากกว่าพระสานีบุตรพระมหาโมคระณะตอบอย่างนั้นถ้าบอกเราจะอยู่กับคนโง่ดีกว่าคนฉลาดก็ไปหาสมณะโคดมเหมือนกันเนี่ยเมื่อไม่ไปก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปแนละ้วลาอาจารย์ไปไปแล้วพระเจ้าก็ตัดบอกพระพิสุแล้วว่านั่นแหะนะนะที่เดินมานั่นคือนะพระสารีบุตรพระมหาโมคระณะนั่นแหนะอัครส า, าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของเรานะนะแต่ไก่มองเห้แต่ไก่ไกบอกแล้ว นะพอมาพบท้เจ้าก็ตั้งให้เป็นอัครสาวกเลยเพราะบารมีทำมาอย่างนั้นพระสารบุตรมหาเทรานี้มีปัญญามากนะใช้เวลานานหน่อยพระมหาโมคแรนนี้เจ็ดวันบรลรลุพระอรหันต์ทำจิตให้ตื่นขึ้นในเวลากลางคืนมีอุบายแก้ง่วงมองดูดาวรูปตัวล่างหน้านะเอามือย้อนหูต่างๆนี่แหละแก้ง่วง นะส่วนพระสารีบุตรนี่มีปัญญาคิดพิจารณามากใช้เวลาทั้ง15วันฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดที่ภูเขาคิจกูดนะต่อท่านที่ค่านกกพามนั่นแหละพามเล่ายาวนะพามเล่ายาวมีความเห็นอย่างไรเราคงทราบสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องการชอบใจก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบ นะไม่ต้องการสิ่งนั้นคือชอบแต่สิ่งที่ถูกใจว่างั้นแหละพระพุทธเจา้าเลยถามว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่พามถูกใจไหมไม่ถูกใจเลยแล้วพามจะได้รับไหมได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็จะเป็นทุกข์ท่านนี้พามก็มีปัญญารู้แล้วว่าเออสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับจะเป็นทุกข์ขึ้นมาไนะ เพาฉะนั้นก็ยอมรับความเป็นจริงดีกว่าเราจะไม่ชอบไม่ได้ในโลกนี้เป็นยังไงยอมรับอย่างนั้นเหมืนอนพวกเราอยู่ในโลกนี่แหละบางครั้งเกี่ยวอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้นยอมรับความเป็นจริงใจของเราก็จะสบายไม่ทุกข์ล้ ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เมื่อพระสารีบุตรพิจารณาตามที่พระเจ้าเทสสอน ท, ทันทีคณกะพามในโสดาบันพระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอหรหาาันตธรรมสุกราขาตานะที่กรุงรา ช, าชกุฎเขาคิชกุฎนั้นเร็จเป็นพระอหรหันต์นั่นนี่เป็นพระอหรหันต์ในสมัยพุทธกาล นจนถึงพระมหาัสปะเถระจนมาถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชาวัดหนองปะพงมาเนี่ยนะพวกเราก็ได้ฟังธรรมของท่านแล้วนะที่ท่านสอนนะที่หลวงปู่ชาก็สอนธรรมะให้เรานะพิจา ร, รณาแล้วก็ปล่อยวางนะเีว่าทุกมีเพราะความยึดเรายึดอะไรกระทุกันนั่นอะ่ะเออ ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์วัตถุสิ่งของที่แรกเราไม่มีพอมีขึ้นมาจิตก็ยดึดยึดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์มีเพราะความยึดเนี่ estre, ยแหละยึดมั่นถือมัน่นเราอาจจะโทษสาเหตุอื่นขึ้นมาไั้ก็ได้แต่ว่าถ้าสาเหตุภายในนี่ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมัน่นถ้าจิตของเราไม่มีความยึดมั่นถือมัน่น ในสิ่งใดความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์ไม่เกิดเกิดเพราะความที่เรายึดมั่นถือมันน่นเนี่ยนั่นเราจะต้องพิจารณาเมื่อเราอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกเราต้องมาพบอะไรบ้างละ่ะนะบางครั้งก็มีลาบบางครั้งก็เสื่อมลาบบางครั้งมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ มันเป็นโลกกะระทำอยู่อย่างนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็พบกับโลกกะระทำถ้าเราไม่มีปัญญามันกระทุกเราจะเอาเป็นที่พึ่งจริงจังไม่ได้นะหลวงาชาญยังยกตัวอย่างว่าเรามีความสุขอยู่ก็ยังพิงต่อไม้ผูปูอยู่นั่นน่ะวะมันไม่มีมั่นคงแข็งแรงอะไรต้องระมัดระวังนะต่อไม้นะ่ะมันผูนะไปพิงไปพิงไปมันก็ล้มลงไปได้ เราจะไปพึ่พงพิงได้จริงจังไหมะสิ่งภายนอกนี้เนี่ยโลกก็ดีนะน้ำก็ดีเราจะพึ่งพิงได้ไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราว่าจะเป็นเราของเราอย่างไรนเวเทนาสิเราเคยมีความรู้สึกประสบ ก, ก็มีเหตุมีปจัจจัยนัน้นก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดมันกระดับไป บางครั้งก็ทกเกิดแต่ก็ดาบอีกเราจะยึดมันถือมันตลอดไปอย่างไงว่าเป็นเราเป็นของเราแหละแต่จิตเนี่ยยังไม่มีปัญญามก็ยึดถืออย่างนั้นนะเราก็ต้องมาสร้างตัวปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาสร้างตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดมาพบกับ ถ้าทำคำสอนของพระเจ้าพบกับพระสงฆ์พรบกับหลวงปู่ชาขึ้นมาแล้วนะบอกข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายให้เราได้ปฏิบัติตามมีความเพียรของพยายามมีสตินะตอนต่อมาอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้สอนอะไรกว้างขวางสอนง่ายๆนะสอนง่ายๆให้เรามีสติยืนเดินนั่งนอนพยายามมีสตินะ ดูความรู้สึกดูจิตของเรานะมันคิดอะไรมันคิดดีหรือคิดชั่วอยู่ทำมันคิดสิ่งที่ไม่ดีความชั่วเราก็ไม่ทำสิ่งที่ดีก็พยายามทำพยายามละกิเลสแล้วพิจารณาปล่อยวางในปัจจุบันนี้แหละนะทันยกตัวอย่างเป็นธรรมะเหมือนกันว่ามะ น, นาวมีรสเปรี้ยวก็จริง แต่ถ้าไม่มาแตะกับลิ้นเราจะรู้สึกไหมเราจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไหมเราก็ไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเปรี้ยวได้ก็เมื่อมาสัมผัสกับลิ้นของเราเราจะรู้สึกขนาดนี้น้ำตามีรสหวานเกลือมีรสเค็มก็เหมือนกันนะถ้ามาสัมผัสกับอิจตนาแล้วเราจรึงจะรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นก็ตรงนี้นะเราต้องเอาสายตานี้เหมือนกันถ้าตาเราบอดเราก็ไม่สามารถเห็นรลกไดนะ้เห็นไหมภาษาในบทท่านก็มีตาดีท่านจึงเห็นพันพะนระอัจิเทละยังเกิดเริ่มงใสศรัทธาฟังธรรมมีหูดีฟังธรรม พิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้สําสเร็จก็เพราะว่ามีอายตนะที่สมูรณนนี่แหละนับภายในถ้นามีโอกาสได้เห็นภายนอกส่งเข้ามาพกเราก็ถึงพร้อมแล้วด้วยอายตนานี้เนะี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นไปนะอยู่ในพรมโลกที่ไม่รับรู้อะไรเลยปิดปิดอายตนะหมดเลยไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งนั้นอนะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเจ้าบรรลุธรรมนะ อย่างท่านพันธ์อาราละดาบุตรทกาดาบเห็นไหมปิดอายตนะหมดแล้วก็ไม่รู้ทำติดต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้นับฟังธรรมะไม่ได้ในเมื่อพวกเรานี่มีอายตนะพร้อมแล้วรับรู้ธรรมะแล้วก็พิจารณาตามเกิดความสถานเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามโอกาส การที่พวกเราที่จะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นหรือบรรลุธรรมก็จะมนะีเรามีทำทานเป็นปกตินักษาศีนเป็นปกติภาวนาเป็นปกติก็ทําให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงตอนนั้นแหลนะนต้องทําให้ต่อเนื่องขึ้นมาเมื่อเราทําให้ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะจากที่หลวงปู่ชาบอกว่าหยดน้ําเป็นหยดถิศ ท, ทีขึ้นมาในสุดก็เป็นสายน้ํา สติปัญญาของเรามาถี่ขึ้นมานั่นแหะรวมกันเข้ามาเป็นมรสมังคีในเบื้องต้นเราก็จะเห็นธรรมะได้ไม่ใช่ยากนะไม่ยากเพราะอะไรก็รูปธรรมก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะไม่ยากเพียงแต่ว่าเอาสติของเราพิจารณากายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายก็เห็นธรรมนะไม่ยากมีผู้ที่ปฏิบัติได้ ครูบาอาจารย์ของปูชาท่านก็ปฏิบัติส้มเด็ดบรรลุมาแล้วถ้าเราทําตามเราก็ต้องได้นะไม่ยากอะไรไม่เกินความสามารถเอออย่าไปท้อแท้ว่ามันยากลําบากนะปฏิบัติทำไม่ยากกระสวดาบัณฑ์ไม่ยากอ ใ, ให้ตั้งใจทํานะพวกเราก็ต้องได้กันทุกคนนั่นแหละเอาไปได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ได้เออมันจะไม่ยากหรอกมันก็เวียนกิเลสพาเวียนไหวมาแล้วนับไม่ได้ปีๆอ่ะ แต่ถ้าเราปฏิบัติทมไปอย่างนี้ก็ไม่นานนะ้องได้นะให้ตั้งจิตตั้งใจกันในวันนี้นะทุกๆคนให้เจริญในธรรมเจริญปร